พอน้อมน้อมต่อขุนพอลัตนาตรายัยโอกาสหลวงพ่อกรมเพื่อนตรมิตรทุกท่านจเจริญธรรมแมชีระยะทีออ่ทำทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้สวดบทการยาณมิตรไปพระนรนก็ถามพระพุทธเจ้าว่าการยานามิตรนี้เป็นครึ่งหนึ่งของภพมาจาันทร์พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทั้งหมดของภพมาจาันทร์ พราลังกัลยาณมิตรนี่จึงมีความสําคัญนะมีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวนะคราวนี้เราก็มาดูว่าเรามีกัลยาณมิตรไหมนะอย่างถ้าอยู่วัดเรานี้ก็อาศัยนะหลวงพ่อคำเขียนพระอาจารย์ไพศาลก็เป็นกัลยาณมิตรนะหรือว่าพระนะที่มีคุณธรรมนะเป็นกัลยาณมิตรได้นะ เพราะว่าอาศัยคำสั่งสอนของท่านที่ท่านได้เข้าใจทรมาแล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติกันคำว่ากัลยาณมิตรนี้ก็มีความหมายกว้างขวางนะอาจจะไม่รวมเฉพาะครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะแม้แต่เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับเราก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างที่ว่ามีาบทสวดใน มงคลสูตรว่าอาเซวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเซวนาเป็นมงคลอันสูงสุดก็คือการที่เราได้ไม่คบกับบัณฑิตให้ไม่คบกับคนพานะมาคบกับบัณฑิตเพราะนั้นการที่เราครบบัณฑิตทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นกิยามิตได้ในระดับหนึ่ง กายวิทนี่ก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจนะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนี่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นในชีวิตเราถ้าเราเริ่มต้นผิดแล้วเราก็เดินแต่ทางผิดนะครั้นี้ถ้าเราเดินในทางผิดแล้วไม่ก็นําให้เราไปสู่อบายภูมิดได้ง่ายๆเนาะแต่ถ้าเราเดินในทางถูกแล้วก็ไปสู่นะความหลุดพ้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะเราก็ใสนะ่กายมิตย ติดต่อมาตั้งเบื้องต้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรามีครูบาอาจารย์ต่างๆนะสอนหนังสือสอนให้เราเข้าใจนะจนกระทั่งเรามาเข้าวัดเข้าวานี่ก็อาศัยครูบาอาจารย์ในทางธรรมเพื่อชี้นำนะให้เราเดินในถูกต้องนะแต่ว่าคำว่าที่สุดแห่งทุกนั้นนะในที่สุด ก็เกินเป็นการสรุปว่าผู้ใดที่มีพระพุทองค์เป็นกัจยันมิตรแล้วนะก็จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้อันนี้ก็เกิดจากการที่ว่าเราหยุดเอาพระธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าเป็นกัจยันตมิตรนั้นนั่นเองนะเพราะว่าในยุคนี้พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราถ้าเราศึกษาพระธรรมของพระเจ้าจริงๆนะก็ศัยตรงนี้นั่นแหละมาเป็นกัจยันตมิตรของเรา พระพุทธเจ้าได้บอกแล้วว่าเมื่อท่านไม่อยู่ก็ต้องอาศัยธรรมะนี้เป็นเครื่องแทนพระองค์นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนะถ้าเราเข้าใจนี่เราจะรู้ว่ากยานมิตรที่แท้จริงเราก็คือนะพระธรรมคำสั่งสอนของพรุทธเจ้าทั้งหมดนะในแปดหมืสี่พันมรรคฐานแล้วคำสั่งสอนทั้งหมดก็ชี้ลงมาที่ไหนนะ ที่มาที่จิตใจของเรานั่นแหละว่าเราสามารถที่จะรู้เท่าทัานจิตของเราได้ไหมนะถ้าเรารู้เท่าทัานจิตของเราได้นะเราก็เข้าใจาทำทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจจิตเราเราก็จะไม่เข้าใจ ท, ทั้งหมดเหมือนกันนะเพราะทั้งหมดนี้จะชี้เรามาสู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองนะแต่ว่าการที่เราจะเข้าใจจิตเรานั้นมันก็ต้องเริ่มต้นให้ถูกทางนะอย่างการเริ่มต้นถูกทาง ถ้าพูดถึงทั่ ว, วไปก็คือคือเรื่องศีลสติสมาธิปัญญานั่นเองนะเราเริ่มต้นด้วยถูกทางเราก็ต้องมีศีลก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราอย่าง น, น้อยๆก็มีศีลห้าเป็นเครื่องนำทางใจก็จะได้มีกรอบมีเครื่องกีดกัน้นนะมีเขตแดนป้องกันนะไม่งั้นถ้าเราไม่มีศีลปั๊บเนี่ยมันไหลได้ง่าย นึกจะทําอะไรก็ทํานะทําไม่ดีได้ต่างๆนะการที่เราผิดศีลห้านี้เขาเรียกว่าเป็นคนไม่ปกตินะเป็นการก่อปัญหาให้กับผู้อื่นนะการที่ก่อปัญหาให้กับผู้อื่นชื่อว่าไม่ปกติเพราะนั้นความปกติก็คือศีลนั่นเองนะเป็นการที่เรียกว่าให้สังคมอยู่ด้วยความเป็นปกตินะแต่ถ้าที่ใดที่ไม่มีศีลแล้วที่นั่นก็ไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นความเป็นปกติก็คือทําให้สังคมเป็นปกติด้วย และทำให้จิตของเราเป็นปกติด้วยนะให้เรามีสีนี่แหละเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีมีคํนนะาให้พรนะทิพย์พระให้พรว่าสีเลนะสูติงยันติสีเลนะโภกับสั ม, มัธาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังลิโสทายเยนะก็คือศีเป็นที่มาของโภพกัษตร์สีเป็นที่มาของความสุขนะสีเป็นที่มาของผนะนิพานนะ อันนี้ก็ชื่อว่าศีลผู้ใดรักษาศีลแล้วก็อาจจะได้ครบทั้งสามอย่างอะไรก็ได้นะพะจิตเราก็เป็นปกติมีความเป็นปกติเป็น ต, ตั้งแล้วต่อมาก็คื อ, อสติสตินี่ก็เป็นการยนตมิติใหญ่นะสตินี่ก็เรียกว่าถ้าหากว่าทำมะทั้งหมดแล้วเนี่ยสามารถรวมไปในสติได้ทั้งหมด สติก็คือเป็นเป็นรอยเท้าใหญ่ของช้างนะธรรมะทั้งหลายก็เหมือนรอยเท้าเล็กๆเนี่ยสามารถรวมลงไปในรอยเท้าช้างได้ฉันใดทำนะทั้งหมดก็คือรวมลงไปในสติได้ฉันนั้นนะสตินี้จึงเป็นเครื่องที่ตั้งให้เรานะสามารถที่จะก้าวไปในสู่ธรรมะในระดับสูงได้นะนะเป็นบาดฐานนะเป็นบาดฐานที่ใหญ่ให้เราก้าวไปสู่สมาธิ กล้าไปสู่ปัญญาได้อย่างแท้จริงนะก็ใส่สตินี่แหลนะเพราะว่าผู้ใดมีสติแล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจได้นะเป็นสิ่งที่ว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายนะเราเมื่อเราจะไม่หลงไปในทิศ ท, ทางอื่นนะเมื่อเรามีสติแล้วสีเราก็มั่นคงด้วยนะนะนะก็มี หลวงพ่อคําเขียนให้บางทีท่านก็ไปแสดงธรรมที่ต่างๆแลนะก็มีผู้ถามว่าทําไมหลวงพ่อไม่แสดงธรรมในแนวอื่นบ้างนะไม่พูดเรื่องศีหลหรือเรื่องต่างๆที่ทําให้คนเข้ามาหันมาทําความดีต่างๆกันหลวงพ่อก็บอกว่าท่านก็สอ น, นเรื่องเจริญสตินี่แหลนะเมื่อมีสติแล้วอย่างอื่นก็ตามมาเองนะศีลหรือการกระทําต่างๆที่ดีก็ตามมาเองนะ เพราะฉะนั้นนียท่านก็เลยเน้นเรื่องเจริญสติเนี่ยเป็นหลักนะอันนี้เราจอเห็นมาถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยเรากา็เป็นคนที่เรียกว่าไม่มีพื้นฐานนะไปเจอเจริญสมาธิมันก็ไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่หรอกไปเจริญปัญญามันก็ไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่นะเพราะสตินี่เป็นการที่เราขับมาศึกษากายากายและใจของเราโดยตรงนะที่ตั้งของอธรรมะทั้งหลายก็อยู่ในกายและใจเรานี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยนะ เราก็มาศึกษาและเริ่มตั้งแต่รู้อาการของกายนะยืนเดินนั่งนอนนะดื่มกินพูดคิดคู่แขนเเยียดแขนงก้มเงยนะเหลยวซ้ายแหลขวาเดินหน้าถอยหลังต่างๆแล้เนี้ยมาศึกษาในตรงนี้ก่อนนะมาอยู่ที่กายเราก่อนพอเรามาอยู่ที่กายแล้วเนี้ยเรา ว, ว, วันหนึ่งล้วก็จิตมีงานทาแล้วเริ่มมีงานทำแล้วนะจากเมื่อก่อนเป็นคนคิดมากนะคิดไหลไปนดีไหลไปอนาคตไปปรุงไปแต่ง ไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดคนต่างๆเมื่อเรากลับมาอยู่ที่กายได้นะจิตก็เริ่มมีงานทำนะํำจิตก็ไม่ใ ส, ส่แสไปในลมต่างๆอันนี้มันเป็นการรักษาสีโดยตรงนะเพราะสีเนี่ยถ้าบางทีเรารักษาทางกายเนี่ยมันก็รักษาได้อยู่แต่ทางใจในรักษาไม่ได้หรอกเพราะใจนี่เขาเรียกว่ากิเลสมันเกิดได้3ามทางนะัคือทางกายวาจาใจนะทางกายทางวาจาเราอาจจะ ไม่ไปแส้สายไม่ไปกระทํากรรมใดๆแล้วแต่ใจเรานี่ยังไปทํากรรมได้อยู่เขาเรียกเป็นมโนกรรมมโนกรรมนี่ก็เรียกว่าแส้สายทั้งวันนะคิดดีบ้างชั่วบ้างนึกถึงคนอื่นบ้างไปรักไปชังคนอื่นบ้างนะไปวิพากษ์วิจารณไปตําหนิติเตียนคนอื่นก็เป็นกรรมทั้งนั้นน ะ, ะแต่บางครั้งนี้เมื่อเรามีสติเราก็รู้ทันความคิดได้ด้วยนะมันก็สามารถที่จะป้องกัน อกุศ ล, ลกรรมในทางใจหรือมโนโกรรมเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นในสมัยหลวงปู่มั่นปุริสัตโตในสมัยก่อนนั้นนะท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสถานที่ท่านอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือตามป่าตามเขาในสถานที่ใดก็แล้วแต่จะมีลูกศิษย์ห้อมล้อมอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะคราวนี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านสามารถรู้วาระจิตได้นะ เมื่อผู้ที่อยู่กับท่านไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมคิดไปในทางไม่ดีคิดในทางใดก็แล้วแต่ไม่ต้องไปคิดในทางอากุศลเราแค่คิดฟุ้งซ่านปุ๊บนี่ก็ทัญญาเทศเลยนะถึงเวลาทัญญาเทศเลยท่านจะพูดในเรื่องนั้นแต่ว่าไม่ได้พูดว่ากล่าวใครโดยตรงแต่คนที่คิดไปก็จะรู้ว่าโดนตัวเองแล้วน ะ, ะเพราะเหตุ น, นี้จึง ผู้ที่อยู่กับท่านก็จะรักษาใจด้วยนะรักษาใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในลมต่างๆไม่ให้คิดนอกเรื่องนอกราวไปนะเมื่อสามารถรักษาใจได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาตามได้เองนะเพราะการรักษาใจนั้นมันก็คือการเจริญสตินั่นเองนะเมื่อมีสติในการรักษาใจแล้วสมาธิปัญญาก็จะตามเองนั่นแหละนะ เพราะนั้นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นจึงมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในยุคหลังที่เรารู้จักกันเยอะแยะนะหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่จัวหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ดูนต่างๆมากมายนะก็มีชื่อเสียงในตรงนั้นมาเพราะว่าท่านก็เคยอยู่หลวงปู่มั่นมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถที่จะรักษากายรักษาใจเราให้มีสติได้ไหม การที่เรารู้เท่าทันกายและใจนั่นละก็คือการรักษาใจรักษากายแล้วนะอาศัยเริ่มต้นกับการรู้กายไปก่อนนะคราวนี้เรามาปฏิบัติเจริตสติกันนะก็มีในรูปแบบนะยกมือ14บส่จังหวะแล้วก็เดินจงกรมนะแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่พอนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็น้อยไปนะถ้าผู้ใดสามารถเจริตสติได้ทั้งวันก็จะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นนะเหมือนที่หลวงพ่อเทียนนะับอกว่าให้ ไปบ้าตั้งแต่ต่นนอนถึงเข้านอนเลยนะเราก็ตั้งแต่ตื่นเช้านี่อืถ้าเรารู้สึกตัวได้ก่อนนะเราก็ดีนะเราก็ลุกขึ้นมานะหลังนั้นเราก็ล้างหน้าแปรงฟันผ้าพันห่มอ่าต่างๆก็รู้สึกตัวไปด้วยนะมันก็จะกลายว่าเราสามารถดึงสติมาตั้งแต่เช้าแล้วนะอหลังนั้นก็เดินมาทําวัดต่า ง, างๆก็รู้สึกตัวไปตลอดนะอ่ทามาเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตกันหรือไปทํางานในโรงครัว ก็สามารถรู้สึกตัวไปได้ด้วยทั้งวันเออืเ น, นี่ยทำํำนี้ทั้งวันจนถึงเข้านอน <c oughs> เข้านอนเลย <c oughs> นะคราวนี้มัน <c oughs> ถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็คือเราไม่ต้องรู้ตลอดเวลาก็ได้นะ <c oughs> ถ้ารู้ตลอดเวลาก็ไปเพ่งไว้อีก <c oughs> ไปคอยเพ่งไว้เอไม่ให้เผลอไปไหนเลยนะไปคอยจ้องคอยเพ่งก็ผิดอีกนะอื <c oughs> ทําให้เราเครียดอีกนะเราก็กลายเป็นว่าเรา อ่ามันจะไม่เป็นการเจริญสติที่แท้จริงการการเจริญสตินะั้นเราก็ทําแบบรู้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆเผลอมันก็ไม่เป็นไร <c oughs> บางทีเราแปลงฟันเนี่ยเผลอไปสิบครั้งก็ไม่เป็นไรเลยนะก็กลับมารู้ใหม่อันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะอ่าหรืออ่าพับกระผมเป็นกันเผลอไปสิบครั้งก็ไม่เป็นไรกลับมารู้ใหม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราทําถูกต้องแล้วนะ นะเพราะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่ต้องรู้ตลอดเวลาหรอกเกยงการเรารู้บ่อยๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วสติก็โตขึ้นมาได้เองแต่เราไปคอยเพ่งคอยจ้องจิตก็จะซึมนะจิตก็จะเกิดความเครียดขึ้นมานะอันนั้นก็จะทําให้เรานะไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วสติก็ไม่เติบโตที่แท้จริงแต่กลายเป็นสมถะไปนะสมถะก็คือไปคอยนะบังคับกดข่มเขาเอาไวนะ้คอยที่จะคอนโทรลเขาควบคุมเขาให้อยู่ใน ความควบคุมของเรานะความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นมาอีกว่าเราสามารถควบคุมรักษาเขาได้ะคอยบังคับเขาได้นะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสติตัวจริงแต่ว่าเป็นสมถะนั่นเองนะเป็นการคอยบังคับกดข่มเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่เขาเป็นของเขาเองเป็นสิ่งที่ทำธรรมะที่แท้จริงก็คืออเป็นการที่เขาเป็นของเขาเองไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการนะ จะเป็นไปตามเราต้องการก็เป็นสมถ t ทั้งหมดเป็นการกดข่มแต่ว่าถ้าเขาเป็นตามที่เขาเป็นเองแล้วเราคอยตามรู้ไปเท่านั้นนะเราคอยตามรู้เข้าไปโดยไม่ไปขัดขวางเขาไม่ไปบังคับควบคุมเขารู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละรู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วนะเพรเรารู้ไปตามความเป็นจริงเมื่อรู้ไปตามความจริงเขาก็จะแสดงอาการเกิดระดับตามความเป็นจริงเราดู เราก็จะเห็นว่าเขาเกิดระดับไปตามความเป็นจริงคือตามเหตุตามปัจจัยของเขาเมื่อเขาหมดเหตุเขาก็ดับไปเท่านั้นเองนะเราเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นนะ น, นี่ก็เรียกว่าเราดูตามความเป็นจริงนะการที่เรารู้ตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมที่เกิดระดับนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนาะแต่เราไปบงังคับไปควบคุมเขาให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการแม้ว่าเราทําแล้วมันจะดีนะมันจะสงบ มันจะนิ่งมันจะรู้ตลอดเวลาแต่นั่นก็ถือเป็นการควบคุมแล้วนะนั่นก็กลายเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะมันก็ไม่ได้เป็นการลากิเลสแต่อย่างใดแต่เป็นการเจริญกิเลสไปนในตัวนะเพราะว่าตัวตนเราจะโตขึ้นเรื่อยๆ เ, นะเราจะกลายเป็นเรา เ, เก่งไปนะอ่าถ้ามีเราเก่งเราโตแล้วมันก็ไม่ได้ละกิเลสแต่อย่างใดแต่เป็นปัญหาวิชาอ่านะเป็นสกริริเป็นอตัตตาตามาอีกเนาะ นีถ้าเราเข้าใจตามนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเออวันๆหนึงมันก็ง่ายนะเราชีวิตเราจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ต้องจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะเราก็ดูไปตามความจริงในกายและใจของเรานี้ยแหละสามารถทํางานได้ตลอดเวลานะทํางานลงครัวก็ได้ก็คอยตามรู้กายไปเออหั่นผักรู้ไปเรื่อยๆนะขุงข้าวทําอาหารกวาดพื้นกวาดาบ้านเราซักผ้า แฟนนะมันตามรู้ได้หมดเลยนะตามรู้ได้รู้ก็ไม่ต้งรู้แบบเป็นแนมานมกับเขานะรู้แบบห่างๆรู้แบบหลุมๆหลวมๆเป็นผู้ดูเนี่ยแหละโง่ายมากเลยนะดูแบบเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูไปอ่าเหมือนกับเราดูคนอื่นทํางานนะอันผ่กนไปมันก็เราดูคนอื่นทํางานเนี่ยเป็นแค่ผู้ดูไปแล้วมันเห็นชัดเจนมากเลยนะชัดเจนแบบรู้ห่างรู้หลุมๆหลุมเนี่ยมันจะชัดเจน แต่ไปคอยเพ่งทุกขณะนั้นหันปุ๊บรู้ตลอดนนั้นไปแนบแน่นเกินไปแล้วนะมันก็ไม่เป็นผูด้ดูนะทำไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเกิดความตึงเครียดนะมันก็ไม่ได้เห็ น, นความความเป็นจริงว่าเออร่างกายก็ทําอะไรที่แท้จริงน ะ, น ะ, นะอเพราะการรู้ก็คือเรารู้รวมๆรู้สบายๆนั่นแหละมันก็กลายเป็นเรารู้กลายเป็นเราดูได้ตลอดเวลานะขยับปุ๊บนิดนึงก็รู้แล้วหันซ้ายแล้วขวาก็รู้แล้วพอเกิดจากการที่เรารู้รวมๆเนาะ รู้ตัวท่วพร้อมนั่นแหละก็คือรู้หลงหลวงนะรู้ตรงไหนก็ได้รู้หลงหๆวงเท่านั้นเองมันก็มีความสุขไปวันๆหนึ่งกลายเป็นผู้ดูไปทั้งวันนะเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้เราก็จะเห็นอาการกายต่างๆไปเรื่อยๆนะในขณะเราเห็นอาการกายเราเห็นความคิดแวบไปเราก็รู้ทันนะเพราะว่าถ้าเรารู้หลมหลวงแล้วเนี่ยมันจะกลายว่าเรารู้รู้ตัวนะรู้รู้ตัวก็คือมันรู้กายรู้ใจได้ว่องไวนะพอเรารู้ตัวปั๊บเนี่ยจิตจริงๆมันตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วนะ เห็นความคิดแว บ, บหนึ่งเราก็สามารถสังเกตได้จิตมันก็ตื่นมาได้แว บ, บหนึ่งแล้ ว, นะนะวลนักหนะนักเขาเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวพอรู้เนื้อรู้ตัวปั๊บเนี่ยจิตก็จะเกิดการตั้งมัน่นะตั้งมั่นเป็นผู้ดนะูเป็นผู้ดูดูกายดูใจนะไปเรื่อยๆนะจิตมันก็จะจะกลายว่ามันจะว่องไวมากนะในการที่เราจะเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดนะถ้าเราเห็นแบบนี้ปับ๊บนะอารมณ์ต่างๆมายุ่งเราไม่ได้หรอกนะ มีจริงน่ารมมีจริงแต่ว่าเขายุ่งเราไม่ได้เข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็ไปเลยนะเพราะเราเรากลายเป็นผู้ดูไปแล้วกลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะจากการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละก็สายมาจากฐานไกลก่อนนะรู้เล่นๆรู้สบายๆรู้หลงหลวบแล้วเราก็จะเห็นใจได้เองนะเพราะเราขยับกายไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นใจนะเห็นใจนึกคิดได้ไวมากนะพอเราเห็นใจนึกคิดได้ไวมากเนี่ยเขารู้จิตเราเริ่มตื่นแล้วนะมันจะตื่นมาเรื่อยๆตื่นขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองนะก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้นะมันก็สบายวันๆหนึ่งก็เราก็จะเป็นแบบนี้ไปนะแต่เราก็ไม่ไปคอยรักษาผู้รู้ผู้ดูอีกนะไปรักษาก็กลายเป็นสมนถะไปอีกนะนะเขาจะรู้บ้างไม่รู้ม้างก็ไม่เป็นไรจะตื่นบ้างจะดับมัางก็ไม่เป็นไรนะแต่โดยสภาวะทำอย่างแล้วจิตเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะเข้าใจสภาวะในความสภาวะธรรมนั้นได้แล้วนะ อ่าเข้าใจสภาวะของความโลภความโกรธความหลงได้แล้วคือเขาจะค่อยๆรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้ชัดขึ้นเมื่อเขารู้จักสิ่งเหล่านี้ได้ชัดขึ้นแล้วเขาก็จะจําสภาวะธรรมได้แม่นมันมันก็จาได้แม่นแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ทําจิตทําอันตรายกับใจเขาไม่ได้แล้วนะอ่าเขาจะไม่ไม่ไปหลงรักหลงชังหลงโกรธกับใครได้ง่ายๆแล้วนะพอเขาเริ่มเข้าใจความจริงในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะจริงๆจริงแล้วนะเขามีความฉลาดและไม่ง้อหรอกเขารู้ว่าเออเราไปโกรธใครเขาก็ทุกนะ เพราะฉนั้นเมื่อเขาเข้าใจสภาวธรรมแล้วเขาก็ไม่ไปโกรธใครง่ายๆนะอและอย่างหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขารักใครแล้วก็ทุกข์เพราะฉนั้นเขาก็ไม่ไปรักใครง่ายๆหรอกนะเขาก็เริ่มที่จะฉลาดขึ้นนะมันก็จิตนะกลับมารู้จักตัวเองว่าเป็นคนอย่างไรกันแน่นะมันก็จะค่อยๆปรับปรุงได้ดีขึ้นนะเหมือนกับคนบ้านั่นแหละคนบ้าถ้าไม่รู้ว่าตัวเองบ้าก็จะบ้าไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเริ่มรู้ตัวเองบ้าแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆ กลับเป็โปรติกลับเป็นคนปกตีได้ง่ายขึ้นเพราะก็คือกลับมารู้จักจิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบัตรทำแล้วมันไม่ใช่ว่าจิตเราต้องดีตลอดเวลานะแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าพื้นฐานจิตเป็นแบบ น, นั้นเองแต่เมื่อเรารู้จักเข้าบ่อยๆแล้วเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยจากการที่เขาดีขึ้นแล้วเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเมื <st> นะ่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรแล้วนะอันนั้นก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองนะ มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยเราไม่รู้ตัวนะถ้าเราไปบัตรถูกทางก็จะเห็นว่าเอออสามปีห้าปีนี่เรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะอความเมื่อก่อนเราเป็นคนใจร้อนเราก็เริ่มใจใจเย็นลงเป็นคนขี้โกรธก็จะโกรดน้อยลงนะเป็นคนขี้หงุดหงิดมันก็หงุดหงิดน้อยลงนะเป็นคนที่อะไรอารมณ์ที่มันทั้งหลายแหล่ที่เกิดรุนแรงมันก็จะเบาลงเ น, นื่องจากว่าเราไปบัตรทำในถูกทางแล้วนะถูกกับถูกต้องแล้วนะ มันไม่ต้องหมดไปแต่มันเบาลงก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าไปบัตรมาเป็นปีๆแล้วมันก็ยังเหมือนอย่างเก่านะโกดก็ยังกดอย่างเก่าหมุนนี้ก็ยังมุนงิกอย่างเก่าบ่นก็ยังขี้บ่นอย่างเก่านะหรืออจะมากขึ้นด้วยนะที่แสดงว่าเราอาจจะไปบัตรทาไม่ถูกต้องก็ได้นะก็ต้องกลับมาพิจารณาดูอีกทีนึงว่าเราทําได้ถูกต้องไหมเราไปกดไปข่มเข้าไหมไปบังคับเข้าไหมไปต้องการสิ่งใดจากการไปบัตรทามากเกินไปไหม อันนี้มันพอเราไปบัตรไม่ถูกต้องนะมันก็จะหงุดหงิดเกิดความเครียดตลอดเวลานะอะไรกระทบนิดนึงเราก็ไม่พอใจหงุดหงิดนะเออทาไมไม่มีสติตลอดเวลานะไปคอยให้มีสติตลอดเวลานั่นแหละไปบังคับเรแล้วนะพอไปกระทบลมแล้วก็โกรธเลยโกรธง่ายเพราะเราเราไม่สมใจเรานะไม่สมใจแล้วก็กลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายนะเราก็เครียดง่ายตึ่ง่ายนั่นน่ะนั่นน่ะอารมณ์มันไม่ไม่วางไม่ปล่อยนะไม่สบายสบายนะไม่ ไม่อะไรอะไรกับมันนะไม่เป็นแค่ผู้ดูแต่เป็นผู้เป็นเป็นทางนั้นเลยนะอย่างที่อ่าที่เคยฟังเทศเมื่อวันสองวันนี่แหละบอกให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะอันนี้ก็ถูกต้องเลยนะเป็นผู้เป็นมันก็เป็นคนแสดงทานั้นนะแต่เป็นผู้ดูมันก็ออกมาเป็นผู้ดูมันก็สบายนะปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะมีสติไม่มีสติก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นตอนหลังก็ได้ยินหลวงพ่อกำเขียนพูดบ่อยๆนะเม่อไม่กี่วันนั้นก็เทศอยู่ตรงนี้บอกว่า ช่างหัวมันอะไรมาก็ช่างหัวมันไปของมันไปเองแล้วเราไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรมะมันก็ทั้งก็ปล่อยเนื้่งต่างหมดนะไม่ได้ไปยึดมั่นอะไรเยอะตรงนี้พอเราเข้าใจตรงนี้มันก็ง่ายนะเออไปบัตธรรมมันก็แค่นั้นเองพอเราเข้าใจธรรม Jean ะก็คือแค่นั้นเองก็คือช่างหัวมันไปไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นแล้วก็กลายเป็นง่ายไป นะแต่ถ้าผู้ใดไปบัตทับไม่ถูกต้องก็จะไปขวนขวายค้นควา้บาบังคับกดข่มมีความมุ่งมั่นมากเกินไปนะมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเริ่มต้นก็มีความทุกข์แล้วนะมันก็จบมันก็จะมีความทุกข์ต่อไปอีกนะแต่ถ้าเราเข้าใจเออเริ่มต้นด้วยความทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าเราเมื่อเข้าใจธรรมะมันก็จะเบาลงมันก็จะมีความสุขมันก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะแต่เรา ทำตรงกันข้ามนะเริ่มต้นด้วยความทุกข์ก็ไปบัตรด้วยความทุกข์มันก็ไม่ปล่อยไม่วางนะมันก็มีความทุก eh ข์ Thing. ที่ว่ายังไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้นะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็จะออกจากความทุกข์ได้เร็วขึ้นนะการที่เราไปบัตรโดยเที่ว่าเราไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันนะไม่เป็นอะไรกับไรนั่นแหละหลวงพ่เทียนก็บอกไว้แล้วว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะครั้นี้เราไปบัตรด้วยความที่ว่าเรา ไม่ไปมุ่งหวังอะไรเยอะนี่ท่านก็บอกว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่เป็นคําสําคัญมากเลยนะอจริงๆการแบบทำ ท, ทั้งหมดก็คือมาอยู่ตรงนี้นั่นเองให้รู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆนั่นเองนะคำว่ารู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆมันก็เป็นเรียกว่าศักแต่ว่าเท่านั้นเองนะศักแต่ว่าโกรธก็สักแต่ว่าโกรธรักก็สักแต่ว่ารักชัางก็สักแต่ว่าชังรู้ก็สักแต่ว่ารู้นะ อันเนี้ยมันเป็นสักตะว่าทั้งนั้นเลยนะมันก็กลายไปรู้เฉยเฉยนะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนี้เราจะเห็นว่าอารมณ์มันมีอยู่จริงนะนะอารมณ์มีอยู่จริงแต่เมื่อมันมาแล้วเมื่อเราไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาก็ไปของเราเองนะ <ME> เขาไม่ได้อยู่ในใจเรานา น, านหรอกแต่เขาเมื่อเขามาแล้วเราไปเกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวด้วยไปให้ค่ากับเขานะไปว่าเป็นของเรานะเป็นอารมณ์ของเราเราโกรธเราลักเร า, รเราชังนะไปคิดนะ ย้ำคิดย้ำทำในสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่กับเรานานมากเลยนะบางทีแค่คําพูดคําเดียวของคนเนี่ยไปนั่งคิดทั้งวันก็มีนะไปย้ำโกรธย้ำคิดติดอารมณ์ในตรงนั้นก็มีแค่คําคพูดคําเดียวนะอันนี้ที่ว่าเราเป็นคนที่เรียกว่าเราไม่ปล่อยไม่วางนะเราไม่เล่าเล่าไปไม่อะไรอะไรกับมันนะคราวนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วอย่างที่หลวงพ่อมเขียนพูดโอ้ชัดเจนเลยช่างหัวมันอ่าก็คือใครเข้ามา พูดอะไรสักอย่างหนึง่งดีไม่ดีก็ช่างหัวมันไปแค่นั่นเองเราก็หลุดแล้วนะอแล้วก็ใครมาพูดอะไรเราก็ไม่อะไรกับอะไรนะไม่เป็นอะไรกับไรกับเขาเราก็หลุดแล้วนะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดในสิ่งเหล่านี้นะอ่าแล้วเรานำมาอ่าพิจารณาดูนะหรือมาทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะ เราก็จะเข้าใจทำไมอีกว้างขวางเลยนะเราก็ออกจากความทุกข์ได้เร็วขึ้นนะเพราะเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเรายังอะไร อ, อะไรอยู่ยังไม่ช่างหัวมันอยู่เราก็มีความทุกข์นะแต่เรามาฟังครูบาอาจารย์แล้วเอานำมาพิจารณานิดนึงว่าท่านพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรนะก็คือหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ช่างหัวมันเราก็ไม่อะไรอะไรกับมันนะล่าแล้วไปกับมันนะไม่แปลอะไรอะไรกับมันนะ ตรงนี้เราก็อาจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วนะเพราะอาศัยกําลังที่เรามีสติอยู่แล้วนะมันก็จะชั่งมันได้เร็วขึ้นจิตมันก็หลุดทันทีเลยนะเนี่ยทุกทั่วลมก็เป็นแบบนั้นเลยนะเพราะฉนั้นคําผู้ครูอาจารย์นั่นแหละเราเป็นถือว่าเป็นกายยามิตรที่เรานํามาใช้ได้เลยนะและกายยานินี้มันก็จะนําให้เราเป็นที่สุดของพรหมาจรารย์นั่นเองนะพรหมาจรารย์นี้เมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีความสุขนะความทุกข์เราก็จะน้อยลง แต่ถ้าปมจันทร์นี้เราไปบัติไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเครียดเพื่อความตึงนะเพื่อความที่เราต้องการได้อะไรกัมันนั่นก็กลายเป็นตันหายไปทั้งหมดนะเพราะฉนั้นนะปมจัรย์ที่แท้จริงก็คือฏปบัติแล้วเราจะต้องมีการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการไม่อะไรกับอะไรการช่างหัวมันการไม่เป็นอะไรกับอะไรการเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนี่แหละเป็นที่สุดของปมจันทร์นะ ในท้ายสุดนี้ก็ขอทุกท่านถึงซึ่งความพลนทุกได้โดยเร็วพันธุ์ทุกท่านเธอ